เขาได้รับรู้อย่างนี้มาและต่างจากเราเราก็อย่าพึ่งไปปฏิเสธว่ามันไม่จรงิงใครที่บอกว่าฉันคิดแบบนี้และมันต่างจากความคิดของเราก็อย่าพิ่งปฏิเสธว่าความคิดของเขาไม่ถูกต้องเมือ่อใดก็ตามที่เรายึดมั่นถือมันในความรับรู้ของเราว่าสิ่งที่เรารับรู้มาเท่านั้นที่จรงิง